ดีค่ะท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็เป็นโอกาสดีๆอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราได้มีโอกาสมาพบ ก, กันกับกวนอิมน้อยในสายปฏิบัติธรรมสัมมาสัมพุท ธ, ธะปัจฉิมาสัมพุท ธ, ธะและกวนอิมน้อยก็จะขอพาผู้ฟังทุกท่านเข้าไปสู่ หลักสูตรของการค้นหาตัวตนเพื่อรู้ถึงเหตุที่มาและที่ไปว่าเรานั้นมาจากไหนแต่ละคนมีหน้าที่อะไรโดยควนอิมน้อยได้จัดเรียเรีงมาตั้งแต่การก่อเกิดของดวงจิตและโลกแต่ละโลกเชิญท่านผู้ฟังรับฟังกันได้เลยนะจ๊ะ แท้ที่จิงดวงจิตของเราเหล่าเทพเทวดามนุษย์หรือสัตว์หน้าดวงจิตทุกๆดวงที่ก่อเกิดมานั้นการลิเริ่มก่อเกิดของดวงจิตมาจากโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งโลกใบนั้นมีอากาศอกอ้าวและสามารถเปลี่ยนจากอากาศนั้น มาสู่การก่อเกิดดวงจิตต่างๆขึ้นมาจากธาตุของดินน้ำลมไฟเหมือนเช่นเดียวกันกับโลกมนุษย์เราที่มีบางจุดที่สามารถก่อเกิดให้เป็นตัวแมลงตัวหนอนขึ้นมาได้ซึ่งถ้าเทียบกันแล้วดวงจิตของพวกเราก็เหมือนกัน ตัวหนอนเหล่านั้นและในแต่ละวันดวงจิตต่างๆก็ได้ก่อขึ้นมาอย่างเยอะแยะมากมายจนโลกใบนั้นเกิดสภาวะแออัดอัดแน่นจนดวงจิตหลายๆดวงจิตเริ่มค้นหาการหลุดพ้นหรือค้นหา ที่จะทำให้ตนนั้นหลุดจากสภาวะของความแออัดนั้นจึงได้เริ่มจากการนั่งสมาธิดวงจิตหลายๆายดวงที่ได้นั่งสมาธินั้นจึงได้นั่งไปนั่งมาจนมีสภาวะทำหนึ่งของฌานสมาธิ หลุดออกไปสู่โลกของสวรรค์เมื่อได้หลุดออกไปสู่โลกของสวรรค์แล้วก็กลายเป็นกายที่เป็นกายทิพย์ของเหลาเทพเทวดามีรูปร่างหน้าตาสวยงามผ่องใสและมีความเป็นทิพย์ห่อเฮินเดินอากาศได้ ซึงเป็นโลกที่น่าอยู่มากอีกโลกหนึ่งจึงคิดว่าจะหาทางที่จะช่วยดวงจิตที่ยังไม่ได้หลุดออกมาสู่โลกสวรรค์ น, นั้นให้เขาเหล่านั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกันและดวงจิตที่หลุดมาสู่โลกสวรรค์แล้วนั้นจึงได้ใช้ กำลังจับฌานสมาธินั้นกลับไปถึงดวงจิตที่นั่งสมาธิอยู่เข้ามาสู่โลกสวรรค์จึงมีการก่อเกิดของโลกสวรรค์เกิดขึ้นเมื่อมีการก่อเกิดโลกสวรรค์เกิดขึ้นแล้วนั้นเหล่าเทพเทวดาก็เกิดขึ้นมาอย่างเยอะแยะมากมาย และแน่นอนว่าการที่มีดวงจิตมากมายมาอยู่รวมกันและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในความสงบสุขของดินแดนสวรรค์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปเริ่มมีความวุ่นวายแก่งแย่งชิงดีฉันเก่งกว่าเขาเก่งกว่าและเริ่มที่จะมีปัญหา ในโลกสวรรค์จึงมีการประชุมของเหล่าเทพเทวดาว่าหากแต่โลกสวรรค์ของเรานี้จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปก็คงจะเป็นโลกที่น่าเบื่อสับสนวุ่นวายและไม่น่าอยู่อีกเช่นเดียวกันกันกบโลกที่อเกิดดวงจิตใบนั้น จึงมีการประชุมของเหล่าดวงจิตทั้งหลายที่มีกายเป็นกายทิพย์ผุมของเทพเทวดานับมารวมตัวกันและจึงได้ประชุมกันว่าควรจะมีกฎกติกาจัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นการล็อกความวุ่นวายหากไม่เช่นนั้นแล้วความอุดมสมบูรณ์ ความสุขและสิ่งที่มีอยู่นี้ก็จะหายไปจะกลับกลายเป็นโลกของความสับสนวุ่นวายเช่นเดียว ก, กันกับโลกที่ก่อเกิดดวงจิตนั้นและเมื่อได้รวมตัวเข้าประชุมกันจึงมีกฎกติกาขึ้นมาว่าหากใครที่ทำผิดกฎของสวรรค์ ก็จะถูกส่งให้ไปเกิดอยู่ในโลกบาดาลเพื่อไปบรรพ่ น, พนชำระจิตแล้วจึงจะกลับมาหากไม่ใช่นั้นก็จะก่อเกิดความวุ่นวายบนโลกสวรรค์และหากดวงจิตที่จะเกิดมานั้นจะเกิดมาโดยกําเนิดเองและมาจากฌานของสมาธิ ย่อมแน่นอนว่าจะไม่มีการเคารพนอบน้อมนับถือซึ่งกันและกันและจะไม่มีผู้ใดรับฟังคำพูดของผู้ใดจึงปรับเปลี่ยนจากการที่มาเกาะเกิดโดยชาติสมาธิซึ่งเกาะเกิดมาเหมือนกันกับตัวหนอนนั้นเป็นการมา เกิดกับผู้ที่เป็นบิดามารดาจึงมีการจัดแยกจิตให้เป็นฝ่ายหญิงและฝ่ายชายซึ่งจะมีการจับคู่คอลองเรือนกันเพื่อให้ออกบุตรและดวงจิตใดก็ตามหากว่าจะมาเกิดอยู่ในโลกของสวรรค์ก็จะต้อง เกิดมาจากผู้ที่เป็นบิดามารดาจึงจะได้มีการดูแลช่วยเหลือกันและกันและจะได้นอบน้อมเคารพนับถือต่อผู้ที่เป็นบิดามารดาจึงจะได้มีการช่วยเหลือกันและกันอย่างเต็มที่ต่อจากนั้นมาจึงมีการคลองเรือนคลองคู่และออกบุตร ของโลกสวรรค์และจึงมีโลกบาดาลเกิดขึ้นมาอีกโลกหนึ่งและมีเหล่าหน้าเกิดขึ้นมาเมื่อดวงจิตที่ลงมาเกิดอยู่ในโลกบาดาลซึ่งเป็นโลกของเหล่าพญานาคเป็นกายที่มีความเป็นทิพย์ สูงกว่ามนุษย์เราแต่ว่ามีกายที่เป็นมีความเป็นทิพย์น้อยกว่ากายที่อยู่บนสวรรค์จึงลิเริ่มในการก่อเกิดกายทิพย์ที่อยู่ทางบาดาล น, นั้นเวียงวังที่อยู่ที่อาศัยต่างๆขึ้นมาและเมื่อบาดาล มีดวงจ็ดเกาะเกิดขึ้นมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เริ่มมีความวุ่นวายแก่งแย่งชิงดีมีควา ม, วา ม, วามทะเยอทยานอยากและมีแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งฝ่ายจึงเกิดความสับสนวุ่นวายในเมืองบาดานเกิดขึ้นมาอีกที่หนึง่งและแล้ว จึงมีกฎ ก, กติกาของธรรมบาดานว่าหากว่าใครทำผิดกฎก็จะต้องมาเกิดอยู่บนโลกมนุษย์ซึ่งเป็นโลกที่หางเทียบแล้วก็จะมีอายุไขของการเวียนว่ายตายเกิดนั้นน้อยมากถ้าเทียบกับทางสวรรค์และบาดาลเสมือนเป็นการมาเกิดเพื่อชดใช้วิบากกรรม และเป็นโลกที่จะต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายในเวลาไม่ช้าในเวลาไม่นานและแล้วจึงมีการก่อเกิดโลกมนุษย์ขึ้นมาอีกโลกหนึ่งโลกมนษุษย์ราวนี้จึงนับว่าเป็นโลกของการชำระดวงจิตหรือการมาเพื่อ ทำสิ่งที่ดีเพื่อดันดวงจิตของตนนั้นไปสู่สภาวะธรรมที่สูงขึ้นและนับว่าเป็นการำาชำระจิตของตนจึงมีดวงจิตเยอะแยะมากมายที่มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่บนโลกมนุษย์ของเรานี้และแล้ว เมื่อสามโลกนี้ได้บนไปบนมาเทวดาลงมาเกิดเป็นนาคนาคขึ้นมาเกิดเป็นมนุษย์และมนุษย์ก็กลับไปสู่เทวดาวนไปวนมาอยู่ย่างนี้ท้ายที่สุดก็ไม่ใช่ความหลุดพ้นที่แท้จริงอยู่ดีเพราะว่ายังมีกิเลสตัณหามีสภาวธรรมของแต่ละโลก ยังมีการสร้างสมบุบรณ์บารมีเพิ่มขึ้นยังมีน้อยลงและยังมีเวียนว่ายตายเกิดวนเวียนอยู่ดีและแล้วจึงมีดวงจิตที่เป็นดวงจิตแรกที่คิดค้นหาวิธีที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้คือดวงจิตขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าองค์ประถมุมพระองค์ท่านจึงเป็นดวงจิตแรกที่คิดค้นการหาทางความหลุดพ้นโดยการมาเกิดบนโลกมนุษย์เพื่อตัดความยึดมั่นถือมัน่นและค้นหาเหตุของทุกข์การดับทุกทั้งหลายพระองค์ท่านจึงมาตรัสรู้ธรรมบนโลกมนุษย์ หลังจากที่จิตของพระองค์ท่านได้หลุดพ้นไปแล้วนั้นจิตของพระองค์ท่านจึงได้เข้าสู่พระนิพพานซึ่งเป็นโลกที่เงียบสงบและสิ้นแล้วด้วยกิเลสทั้งหลายดวงจิตใดก็ตามหากยังพลเพื่อนด้วยกิเลสอันหาจะไม่สามารถเข้าไปสู่โลกแห่งพระนิพพานนั้นได้เลย ต่ อ, อจากนั้นมาจึงมีโลกนิพพานเกิดขึ้นมาอีกโลกหนึ่งเป็นโลกที่สี่และแล้วหากดวงจิตใดที่เหนื่อยลา้าจากการเวียนว่ายตายเกิดจากการเป็นเทพเป็นนาเป็นเทวดาการเวียนวนทั้งหลายเหล่านี้แล้วจึงบันเพนเพื่อตัดสู้รมหลุดเข้าไปสู่ในอินแดนพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าดินแดนพระนิพพานซึ่งจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอาหารหันตเจ้าหากดวงจิตใดที่เหนื่อยและท้อแล้วจึงบันเพนหาความลุ่พ้นตามทางของพระองค์ทุกๆพระองค์ทั้งหมดนี้ก็คือการก่อเกิดของดวงจิต และที่มาที่ไปของโลกมนุษย์เราและสวรรค์บาดาลเพราะเหตุใดเราจึงมาและมาเพื่อจะไปไหนจะภาวะธรรมของแต่ละโลกเกิดขึ้นมาเพราะอะไรและเป็นยังไงที่ที่หลุดพ้นอย่างแท้จริงนั้นคือที่ใดนี่จึงเป็นเหตุผลที่ควรอินมน้อย ยกขึ้นมาให้พวกเราเหล่านักบุญทั้งหลายทั้งสายปฏิบัติของสัมมาสัมพุทธะปัจฉิมาสัมพุทธะได้เรียนรู้การก่อเกิดทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจถึงการนวนเวียนการไปและการมาของดวงจิตโดยเฉพาะตัวตนของเรานั้นมาจากไหนต้องการอะไรา ปรารถนาที่จะไปไหนทำอะไรดีจึงจะหลุดพ้นก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านค้นหาตัวตนให้รู้ความปรารถนาของภูมิจิตตนนั้นว่าจะเลือกที่จะอยู่ในสวรรค์บาดาลหรือบนโลกมนุษย์หรือดินแดนพระนิพพาน